จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2 5งหเป็นวันพระวันธรรมนัสสวรรวันฟังธรรม เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทที่มีจิศตศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบกิจของพุทธศาสนิกชนคือการทำบุญตัก บ, บาตถวายทานสมาทานรักษาศีล ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติ ธ, ธรรตมตามกำลังแห่งศรัทธาวิริยะสติโดยเฉพาะการฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งดังที่ได้สงจัดไว้ว่ากาเลนะธรรมสะสวนางเอตัมมังกาลมุตตมการฟังธรรมตามกาตามเวลา เป็นคนเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าพวกเราอยากจะมีความเป็นสิริมงคลขอให้พวกเราหมั่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตชั่วคราวไม่ใช่เป็นชีวิตที่ถาวร การมาเกิดในโลกนี้เป็นการแวะจอดรถสำหรับผู้ที่เดินทางไกลพวกเราอย่างเป็นผู้ที่ยังเดินทางกันอยู่เรายัางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงที่เป็นบ้านที่ถาวรของเราก็คือพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ได้ดำเนินไปถึงแล้วพวกเรายังเดินทางกันอยู่เราจึงต้องจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ำเติมน้ำมันเติมอาหารเติมสเสบียงต่างๆการมาเกิดในโลกนี้ก็เพื่อมาเติมบุญเติมกุศลนั่นเองเพราะบุญกุศลนี้เป็นเหมือนน้ำมัน ที่จะพาให้ชีวิตของเรานั้นเดินทางใกล้สู่จุดหมายปลายทางเข้าไปตามลำดับนับตั้งแต่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่มรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจนถึงพระนิพพานในที่สุดจำเป็นจะต้องจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆคือภพชาติของมนุษย์ ในแต่ละพบแต่ละชาติเป็นที่เรามาเติมบุญเติมกุศลกันถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลก็เหมือนกับการเดินทางที่เวลาเราจอดแวะทางสถานีบริการแล้วเราไม่เติมน้ำมันไม่เติมน้ำให้กับรถยนต์ไม่เติมอาหารให้แก่จิตใจให้แก่คนขับรถพอออกเดินทางจากสถาน นบริการไปก็อาจจะไปไม่ถึงสถานีบริการต่อไปเพราะว่าเครื่องอาจจะเสียเพราะไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำคนขับก็จะต้องเดินไปจะต้องลำบากต่อการเดินทางแต่ถ้าทุกครั้งที่เราเข้าสถานีบริการเราเติมน้ำมันให้เต็มถังเติมน้ำให้เต็ม เติมาหาให้เต็มขนสเบียงใส่รถไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะขนไปได้เวลาเราออกเดินทางต่อไปรถของเราก็จะได้วิ่งได้อย่างไม่มีปัญหาคนขับก็จะมีสเบียงมีน้ำมีอะไรต่างๆไว้บริการอยู่จนกว่าจะไปถึงสถานีบริการอันใหม่หรือว่า ถึงบ้านนี่คือชีวิตของพวกเราอย่าหลงละเลยกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากการมีทรัพย์มีมีลาบมียศมีเกียรติเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความสุขต่างๆเหล่านี้ ก็จะหมดไปจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลมาคอยเยียวยามาดับความทุกข์ภายในใจแต่ถ้าเราเหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆเราจะมีบุญมีกุศลไว้สำหรับเยียวยารักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ทุกขกับความตายและเวลาเดินทางต่อไปเราก็จะเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่ารถของเรามีน้ามันที่จะวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้นี่คือความจริงของชีวิตของพวกเราพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง ที่เราใช้มาในการสะสมบุญบารมีต่างๆนั่นเองเึ่นเราต้องมีร่างกายเราถึงจะมาวัดได้มาทาบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาภาวนามาปฏิบัติธรรมกันการรักษาศีลการทาบุญให้ทานการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมนี่แล เป็นการเติมสเสบียงเติมอาหารเติมน้ำมันให้แก่ใจของเราเราจึงควรที่จะทำกันให้มากๆเพราะถ้าเราทำให้ได้มากเราก็จะสามารถไปถึงบ้านของเราได้ภายในชาตินี้เลยเราไม่ต้องไปแวะตามสถานีบริการต่างๆเพราะเรามีน้ำมันพอที่จะวิ่งรวดเดียว ให้ถึงบ้านของเราเลยแต่ถ้าเราทาบุญทีละรเล็กที่รน้อยอย่างที่ท่านกำลังทำกันในวันนี้อาทิตย์หนึ่งก็มาทำกันสักครั้งหนึ่งอันนี้ยังถือว่าทำไม่มากพอยังทำไม่เต็มที่ทำพอที่จะให้มีน้ำมันวิ่งไปถึงสถานีบริการอันต่อไปเท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถ วิ่งให้ถึงบ้านได้ภายในครั้งเดียวโดยที่ไม่ต้องจอดแวะเติมน้ำมันอีกเลยแต่ถ้าเราพยายามทำทุกวันทุกวันทำทานรักษาศีลทุกวันภาวนาทุกวันฟังเทศฟังธรรมทุกวันเราจะมีโอกาสที่จะเติมน้ำมันให้เต็มที่เต็มถังมีสเมิงขนใส่ไปในรถได้เต็มที่มีน้ำดื่ม มีน้ำสำหรับรถยนต์เราก็จะสามารถวิ่งไปโดยที่ไม่ต้องจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆอีกต่อไปนี่คือความจริงของพวกเราที่เราควรที่จะคำนึงถึงอยู่เสมอๆ ส, สอนใจเราว่าที่นี่เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆ เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องออกเดินทางต่อไปดังนั้นอย่าไปหลงสะสมทรัพสมบัติเงินทองให้มากจนเกินไปอย่าหลงไปสะสมข้าวของต่างๆอย่าหลงไปสะสมบุคคลต่างๆเพราะว่าถึงเวลาออกเดินทางเราจะไม่สามารถ เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปกับเราได้นอกจากน้ํามันที่เราเติมสเบียงที่เราขนใส่ไว้ในรถเท่านั้นดังนั้นขอให้เราจงคิดเสมอว่าเรากำลังมาเติมน้ํามันกันเรากำลังมาสะสมสเบียงบรรทุกใส่ไปในรถเพื่อเราจะได้ออกเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่ไม่ต้องจอดแวะอีกต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายท่านได้ทำกันท่านสะสมสเบีย ง, เ ต, ง, เ, ตง เ, ตเติมน้ำมันเต็มถังเติมรถเติมน้าเต็มถังมีอาหารมีน้ำขนใส่ไว้ในรถอย่างเต็มที่ท่านจึงสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ โดยที่ไม่ต้องจอดว่าอีกต่อไปท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ า, ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะว่าท่านได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็คือพระนิพพานบ้านที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขทุกรูปแบบไม่มีความทุกข์ไม่มีความยากลำบาก ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีสิ่งที่จะมาลบกวนใจเลยมีแต่สิ่งที่จะให้แต่ความสุขความอิ่มความพออยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคือหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรก็ขอให้รู้ไว้เถิดว่าเราเกิดมาเพื่อมา สร้างบุญสร้างกุศลมาเติมน้ำมันมาเติมน้ำมาเติมสบีย์ให้แก่ชีวิตจิตใจของเราเราจึงอย่าไปหลงกับสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวและก็เป็นความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่เวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารับไป เวลาที่เราจะต้องจากสิ่งที่เราลักไปเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยจะช้าหรือจะเร็วท่านั้นเองพวกเราทุกคนจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ในโลกนี้เช่นจะต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียร่างกายของเราสูญเสียร่างกายของผู้อื่น ดังนั้นอย่าหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะถ้ายึดติดแล้วก็จะทําให้ต้องทุกขทรมานใจทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่จะต้องพัดพรากจากกรรมขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีความห่วงใยมีความวิตกกังวลต่างๆกลัวสิ่งที่เรารักจะต้องจากเราไป แล้วพอถึงเวลาที่สิ่งที่เรารักจะต้องจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าเราหมั่นมาสะสมสร้างบุญสร้างกุศลกันบุญกุศลนี้จะมาคอยรักษาใจของเราไม่ให้ถูกสิ่งต่างๆมากระทบกระเทือนใจไม่ว่าจะเป็นความแก่ก็ดี ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีการพัดพลาดจากกันก็ดีถ้าใจมีบุญมีกุศลแล้วจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆไปในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะอยู่อยากมีความล่มเย็นเป็นสุขในขณะที่จะต้องจากโลกนี้ไปก็จากโลกนี้ไปอย่างล่มเย็นเป็นสุข ไม่ทุกไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเสียใจดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามทำบุญให้กันให้มากบ้างอย่างน้อยก็ควรจะทำทุกวันเช่นถ้าไม่ใช่เป็นวันพระอยู่ที่บ้านถ้ามีพระเดินผ่านหน้าบ้านก็ควรจะใส่บาตรถ้าไม่มีพระก็หากระปุกไว้สักใบหนึ่ง แล้วเอาเงินที่จะซื้ออาหารอของใส่บาทเอาใส่กระปุกไว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินใส่บาทจะไม่เอาไปใช้ทำอะไรนอกจากเวลาที่มาวัดจะเอาเงินที่ใส่ในกระปุกนี้มาถวายวัดต่อไปอย่างนี้เราก็จะได้ทำบุญทุกวัน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 มีความเกียดครางเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียทั้งหลายเราไม่ต้องการที่จะให้จิตใจเราทุกข์เราก็ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำบาปเราต้องหลีกเลี่ยงการเสพอบายามุขนี่คือวิธีที่จะป้องกัน ร, รักษาไม่ให้ใจของเราต้องทุกข์ต้องหวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆ แล้วก็ให้เราภาวนากันทุกวันภาวนาก็คือการทำจิตให้สงบและทำจิตให้ฉลาดมีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาหรือสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาก่อนที่เราจะทำวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องมีสมถภาวนาก่อน ใจต้องสงบเป็นสมาธิก่อนถึงจะพิจารณาความจริงได้เพราะถ้าใจยังไม่สงบจะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามารบกวนจะทำให้ไม่สามารถเห็นความจริงได้เพราะว่าอารมณ์ต่างๆจะมาคอยกีดกั้นไม่ให้เห็นความจริงนั่นเองดังนั้นในเบื้องต้นต้องทำใจให้สงบก่อน วิธีทาใจให้สงบก็มีหลายวิธีอย่างง่ายๆก็คือสวดมนต์ไปก่อนถ้าเรายังนั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกยังทำไม่ได้เพราะเวลาทำแล้วใจมันฟุ้งซ่านใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้สวดมนต์ไหว้พระไปก่อนข้อสําคัญเวลาสวดมนต์ไหว้พระนี้ ใจจะต้องมีสติอยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะขณะที่สวดมนต์ให้ใจจดจ่ออยู่การสวดมนต์ถ้าไม่สามารถสวดมนต์ได้ก็ให้ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เปิดเทปธรรมะนั่งหลับตาขัดสมาธิแล้วก็ตั้งใจฟังไม่ต้องพูดโทไม่ต้องดูลมหายใจเข้า ให้ฟังเหมือนขนาที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะ น, นี้ฟังเสียงธรรมแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆใจก็จะหยุดคิดเรื่องราวต่างๆได้พอใจเริ่สมสงบสบายเราก็ปิดเทปปิดธรรมะแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปหรือพุทโธพุทโธต่อไปไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบ เวลาเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะเย็นมีความสุขมีความว่างไม่มีความคิดตุ้งแตกมีอุเบกขามีความมีความเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธไม่เกลียด น, นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการบริกรรมพุทโทธดูลมหายใจเข้าออกสวดมนต์ไหว้พระ หรือฟังเทศฟังธรรมถ้าเรายังไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนก่อนที่จะมานั่งภาวนานั่งสมาธิในชีวิตประจาวันก็ให้เจริญสติไปให้ดึงใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทธโธก็ได้ ตื่นขึ้นมาก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ท่องพุโทโธไปทั้งวันจนเวลามานั่งสมาธิถ้าใจมีพุโทโธอยู่ทั้งวันเวลานั่งสมาธิจะนั่งได้อย่างง่ายดายไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ไม่ต้องฟังเทศก็ได้เพียงนั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธไปเดียวเดียวใจก็เข้าสู่ความสงบได้ หรือถ้าจะไม่ใช้พุโทโธจะใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ก็ได้ให้เฝ้าดูร่างกายไปทั้งวันไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรขอให้ใจเฝ้าดูร่างกายไปทุกขณะอย่าให้ใจเราไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ร่างกายกำลังทำอยู่เช่นกำลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้ากำลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันหวีผม แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารไม่ว่าทำอะไรอย่าให้ใจไปที่อื่นให้อยู่คู่กับร่างกายอย่างนี้ก็จะเรียกว่ามีสติพอเวลามานั่งหลับตาทำใจให้สงบก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้สั้นหรือให้ยาวให้หยาบหรือละเอียด ปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องการมาควบคุมบังคับลมเราต้องการควบคุมบังคับใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ใจไปทำอะไรให้ใจดูแต่ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวถ้าเราทำอย่างนี้แล้วลมก็จะละเอียดไปเรื่อยๆจนบางทีจะรู้สึกว่าหายไปก็ไม่ต้องตกใจถ้าเรายังรู้สึกตัวอยู่ ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายเพราะลมมันละเอียดจนที่เราไม่สามารถรับรูได้เท่านั้นเองถ้าเราดูต่อไปถ้าไม่มีลมดูก็ดูความว่างไปใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะมีความว่างความสบายความเป็นกลางตามมาต่อไปนี่คือสมาธิแล้วเวลาอยู่ในสบาธินี้ก็ปล่อยให้อยู่ไปเรื่อย ยังไม่ต้องพิจารณายังไม่ต้องเจริญวิปัสนาการจะเจริญปัญญาหรือวิปัสสนานี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนพอออกจากสมาธิแล้วเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เดินความคิดนี้มาคิดในทางปัญญาคิดในทางวิปัสสนาอย่าไปคิดในทางกิเลสคิดว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราคิดว่าอยากจะอยู่ไปนานนะ อยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไม่ตายคิดอย่างนี้เป็นกิเลสเราต้องมาคิดตามความจริงต้องคิดว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้หยุดกิเลสตัณหาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายใจของเราจะไม่ทุกข์เพราะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ของร่างกายไม่ได้เกิดจากความเจ็บไข้ไม่ได้เกิดจากความตายของร่างกายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าทายังไงก็ต้องตายอย่างแน่นอนทำยังไงก็ต้องแก่อย่างแน่นอน ทำอย่างไรก็ต้องเจ็บไข้ได้ปวดอย่างแน่นอนเราก็จะได้ยอมรับความจริงพอเรายอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายได้เราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะใจเราจะไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้นอกจากเป็นไปไม่ได้แล้วความอยากไม่แก่ไม่เจ็บนี่แหละที่จะทำให้ต้องทุกไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่แหละคือความลับของพระพุทธศาสนาความลับของโลก่นี้อยู่ที่ความอยากนี้เองไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้ได้ว่าความทุกข์ของสรมโลกของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเลยเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เง ถ้าหยุดความอยากนี้ได้แล้วใจจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเลยจะแก่ได้อย่างสบายจะเจ็บได้อย่างสบายและจะตายได้อย่างสบายนี่แหละคือการสะสมปัญญาสะสมบุญบรารมีที่จะพาให้จิตใจของเราได้เดินทางไปถึงบ้านเราได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใดถ้าเข้าถึงความจริงอันนี้เห็นความจริงอันนี้มีปัญญาเห็นว่าความทุกข์ที่แท้จริงนี้เกิดจากความอยากของใจนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นใดในโลกนี้เลยโลกนี้จะพินาศไปจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้จะไม่สามารถทำให้ใจทุกข์ได้เลยถ้าใจมีปัญญา ที่จะหักห้ามไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาอันนี้แหละเป็นความรู้ของพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่จะรู้ความจริงอันนี้ได้จริงไม่มีศาสนาใดสามารถสอนให้สรรโลกหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีเพียงพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสอนให้สามโลกหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นผู้ที่มีโชคกันมหาศาลจึงไม่ควรปล่อยโชคอันมหาศาลนี้ให้หลุดไปจากมือไป ควรที่จะรีบตัดตวงโชคกรรมนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ควรที่จะตัดควรที่จะลดควรที่จะละภารการหาสิ่งต่างๆในในโลกนี้ให้น้อยลงไปหาเงินให้น้อยลงไปหายศให้น้อยลงไปหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงไปเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ขอให้เรามาหาบุญหากุศลกันมาทําบุญให้มากๆ ม, มารักษาศีลให้มากๆ ม, มาภาวนาให้มากๆเพื่อที่เราจะได้มีธรรมะมีบุญมีกุศล ม, มาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปนี่แหละเป็นงานที่แท้จริงของเรา ก็คืองานสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราไม่รีบทำในชาตินี้เวลาตายไปเราอาจจะไม่สามารถเดินทางไปแบบไม่ต้องไม่ต้องจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆถ้าเราต้องจอดแวะคราวหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้หรือไม่ถ้ากลับมาแล้วไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครบอกทาง เราทําได้อย่างมากก็ไปแค่สวรรค์ชั้นต่างๆเท่านั้นเองคือจะทํำบุญําทางรักษาศีนั่งสมาธิไปเท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะจะไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนอริยสัจสีก็คือทุกข์สมุทัยนิโรจน์นี่เองทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยก็คือความอยากนิโรจน์การดับของทุกข์ ก็เกิดจากการเจริญมากมากก็คือการเจริญปัญญาให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายถ้าไม่มีาศาสนาพูดก็จะไม่มีวันที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็จะต้องจอดแวะไปตามสถานีบริการต่างๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับสถานีบริการที่มีพระพุทธศาสนา คือจะต้องกลับมาเกิดและมาได้พบกับพระพุทธศาสนาถท่านั้นถึงจะมีโอกาสแต่ถ้าได้เกิดได้พบแล้วไม่ช่วยโอกาสก็จะไม่มีโอกาสอีกเหมือนกันตายไปก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่พวกเราควรที่จะรีบตักตวงศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้มากมา เพื่อจะได้ฝังอยู่ในใจถ้าฝังอยู่ในใจแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องจอดแวะตามสถานีบริการต่างๆเราสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยที่ไม่ต้องจอดแวะได้เลยจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องในวันพระนี้ว่าชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตชั่วคราวสิ่งต่างๆที่เราได้ในเรื่องนี้ เป็นของชั่วคราวอย่าหลงไปสะสมสิ่งต่างๆที่เป็นของชั่วคราวให้มาสะสมของที่เป็นของถาวรของที่เป็นของถาวรก็คือบุญกุศลเช่นทานศิงภาวนานี้เองขอให้ทำกันให้มากๆแล้วเราจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยที่ไม่ต้องจองและอีกต่อไป